การโต้อตอบทางวาจาแทนการหยุดพูดด้วยอาการอัดอั้นตันใจลองหยุดย่างสง่างามให้อีกฝ่ายสัมผัสดได้ถึงความสงบของใจการโต้อตอบกับบุคคลต่างๆถ้าเราโต้อตอบในแบบที่ทำให้อะไรๆแย่ลงหรือว่าคาราคสัังอยู่อย่างนั้นอย่างไรเราก็ต้องกลับไปอยู่วงจรนี้อีก ไม่ช่วยให้ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตฝึกโต้ตอบแบบไม่หงอแต่ก็ไม่แข็งเวลาที่จะโต้ตอบเราต้องมีคำพูดที่สั้นชัดเจนแสดงถึงความเข้มแข็งของจิตใจแต่ต้องไม่เจือด้วยความโกรธทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หงอแต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้แข็งซึ่งอันนี้ต้องฝึกในบางจังหวะเราต้องรู้จักหยุดแต่ต้องหยุดอย่างสง่างามทําให้อีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงความสงบของใจไม่อใจหยุดด้วยอาการอัดอั้นตันใจนาทีที่ตั้งใจว่าเราจะฝึกที่จะมีความสงบในการตอบโต้นาทีนั้นแหละ คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันเราจะค่อยๆเห็นผลวันต่อวันผ่านไปเป็นเดือนๆ เ, เป็นปีๆเราจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายได้รับความสงบจากเราไปเขาหยุดเป็นเหมือนที่เราหยุดเป็นมารมเดือนรามปีนี่แหละคือวิธีโต้ตอบในแบบที่จะทำให้อะไรๆดีขึ้น เน้นที่ใจนะครับใจเป็นกระแสที่ส่งผ่านถึงกันได้ถ้าเรามีความสงบในขณะที่คนอื่นมีความวุ่นวายเขาจะวุ่นวายน้อยลงตามเราถ้าเรามีความเยือกเย็นในขณะที่คนอื่นร้อนแรงเสียดแทงเหลือเกินความเย็นของเราจะทำให้เขารู้สึกนึกคร้านที่จะมาทิ่มแทงต่ออันนี้ เป็นสิ่งที่เห็นผลหลังจากเราได้บำเพ็ญบารมีในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันมากพอนานพอ